แต่ข้าพเจ้าเห็นพระอริยสาวกผู้บรรลุพระอราหันตผลแล้วยังยึดมั่นในพระรัตนตรยัยปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในศีลจรวัตทุกประการนี่ท่านผู้เจริญเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการเคารพนับถือพระรัตนตรยัยก็เป็นแต่เพียงกิริยาบุญเพื่อแสดงกตัญญูกตวเวทิตาธรรมเท่านั้นไม่ใช่การยึดมัน่นคือมั่นในอุปาทาน แบบแบกเรือเอาไปด้วยการยึดมั่นปฏิบัติในศีลาจาวัดทั้งหลายก็เป็นแต่เพียงกิริยาบุญเพื่อความอยู่สุขสบายในโลกนี้เพื่ออนุเคราะห์หมู่คณะและประชาชนเท่านั้นไม่ใช่การหลงปฏิบัติ ด, ด้วยศีลพจน์ปราโมชแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าการปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายยังเป็นเครื่องกําจัดอิสระภาพ ก็ให้เกิดภาวะกังวลอยู่นั่นเองท่านอนาคาริกะข้าพเจ้าจะอุปมาให้ฟังนะเชิญท่านผู้เจริญธรรมดาหญิงนักฟอนผู้เพิ่งเริ่มเรียนยังไม่ชำนาญในศิลปะการฟอนรนพอขึ้นสู่เวทีย่อมประวันพลันพึงใช่หรือไม่ ใช่ท่านผู้เจริญยิ่งได้ยินเสียงดนตรีก็ยิ่งตกใจจนตัวสัน่นกิริยางกเงินจริงไหมจริงทีเดียวเช่นนี้แล้วย่อมไร้รำด้วยความยากลำบากแม้จะพยายามตั้งใจก็ยังมีเีลาผิดพลาดแต่จิงฟอนรำผู้เชื่อชาญในศิลปะการไร้รำดีแล้วเมื่อก้าวขึ้นสู่เวทีและได้ยินเสียงดนตรีย่อมจะมีใจฮึกเหิม ร่าเริงเบิกบานประกอบบีลาการได้รำได้อย่างคล่องแคล่วเข้าจังหวะกับดนตรีโดยไม่ต้องตั้งใจประนึ่นว่าแข้งขาตีนมือมันเป็นไปเองตามปกติวิสัยของมันชั้นใดพระอริยาสาวกในพระธรรมวิไนยของพระบรมศาสดาก็ฉันนั้นภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนย่อมปฏิบัติตามพระธรรมวิไนยได้ความยากลาบากต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุม แม้แต่ น, นั้นก็ยังผิดพลาดย่อมงกเงินในสมาคมแต่สําหรับภิกษุผู้เป็นพระอริยบุคคลบรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกลายเป็นปกติวิสัยของท่านเป็นเครื่องอยู่อันสบายของท่านปฏิบัติอย่างสบายไม่ได้ตั้งใจก็ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามศีลาจารวัต ของท่านจึงไม่ใช่เป็นภาระอันหนักไม่ใช่การจำกัดอิสระเสรีภาพแต่เป็นธรรมะเครื่องอยู่อันแสนสบายของท่านเท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ท่านพอจะเข้าใจหรือยังข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วท่านคิดว่าอย่างไงล่ะข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการระเบียบ ป, ปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าเราปฏิบัติจนกลายเป็นปกติวิสัยแล้ว แทนที่จะเป็นภาระกังวลกลับสุขสบายข้าพเจ้าอยากจะเรียนถามท่านอีกอย่างหนึง่งเรื่องอะไรเกี่ยวกับการปลดเปลืองตนให้เป็นอิสระจากความอยากเชิญท่านถามเถอะข้อนี้เป็นข้อบกพร่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆแต่ทำไมยังอยู่ใต้อำนาจของความอยากทำยังไงจึงจะให้เป็นอิสระได้ การเป็นอิสระจากความอยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแม้ข้าพเจ้าเองก็กำลังอยากพยายามกระทำอยู่ท่านน่ะเหรอยังพยายามกระทำอยู่ถูกแล้วท่านอนาคารกิกะแล้วเป็นยังไงยังเอาชนะมันไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็พยายามแนะวิธีให้ท่านตามแนวคำสอนของพระบรมศาษษษษสดาก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่ขอถามท่านสักอย่าง เชิญท่านถามได้เลยท่านจะต้องพูดตามความเป็นจริงทุกประการข้าพเจ้าให้สัญญาที่ข้าพเจ้าจะถามท่านนั้นก็คือว่าในขณะที่ท่านเห็นหญิงสาวผู้มีรูปร่างสวยงามท่านย่อมจะเกิดความพอใจและเมื่อเกิดความพอใจท่านก็ย่อมจะต้องเกิดความปรารถนาความต้องการใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญแต่ขณะใด ที่ท่านเห็นซากศพนอนตายเน่าเหม็นอยู่ใน ป, ป่าช้าผีดิบท่านยอมจะเกิดความเบื่อหน่ายและความสังเวชสลดใจไม่มีความปรารถนาใดๆใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นอะไรละ่ะคือความแตกต่างระหว่างหญิงสาวสวยและซากศพในป่าช้าผีดิบอะไรละ่ะคือสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความปรารถนาในหญิงสาวสวย และความเบื่อหน่ายในซากศพเขาพอเจ้าเข้าใจว่าเขาพอเจ้าเกิดความปรารถนาในหญิงสาวเพราะความมีชีวิตความงามและเพศของเธอเขาพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายในซากศพเพราะความตายความเน่าเหม็นน่าเกลียดของมันถูกแล้วท่านอนาคาริกท่านเกิดความรักความปรารถนากเพราะความงามและเพศพันธ์ ซึ่งเป็นตปืกนอกเป็นสมมุติสัจจะโดยความเป็นจริงแล้วหญิงสาวกับซากศพนั่นก็คือประชุมของท่าสี่อย่างเดียวกันนั่นเองถ้าท่านเพิกสมมุติสัจจะออกซะมองซึ้งเข้าไปเห็นความจริงแท้ภายในด้วยปัญญาท่านก็จะเห็นหญิงสาวกับซากศพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะไม่เกิดความปรารถนา เมื่อเห็นหญิงสาวสวยท่านจะไม่เบื่อเมื่อเห็นซากศพกองทหารมาอีกแล้วข้าพเจ้าขออนุญาตขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนต้นไม้อีกครั้งพระสุเทวะนักบทคนนี้ดูเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความคิดอ่านและหลักการดำเนินชีวิตของตนเอง เขายืนยันว่าเขาไม่ยึดมั่นในข้อวัดอันใดแต่การที่เขาขึ้นไปทําพิธีไหว้พระอาทิตย์บนต้นไม้ถึงสองครั้งในเวลาไล่เรียกกันแสดงว่าเขาเป็นคนเคร่งครัดในข้อวัดอย่างจริงข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือเขาจะขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์ตอนที่มีกองทหารเดินผ่านไปหรือว่าการไหว้พระอาทิตย์ของเขากับการปรากฏตัวของกองทหารน่าจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ เหนื่อยจังเลยออกลงมาแล้วเลยจริงสิท่านเรียบขึ้นและดูเหมือนว่าจะเรียบลงอีกด้วยท่านถึงได้เหนื่อยข้าพเจ้าต้องขออภัยที่รีบร้อนไปทำพิธีไหว้พระอาทิตย์โดยกระทันหันข้าพเจ้าคงจะตกเป็นทาสของความอยากออกมากๆทีเดียวพอเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็อดไม่ค่อยได้ต้องรีบทาทันที ข้าพเจ้านี่แย่มากจริงๆท่านน่าจะหักข้ามความอยากไว้บ้างเนี่ยถ้าหักห้ามได้ข้าพเจ้าคงไม่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้หรอกเอาละ่ะขอเชิญท่านบรรยายวิธีปราบความอยากต่อไปได้แล้วข้าพเจ้ากําลังสนใจฟังอยู่ทีเดียววสุเทวะพยายามพูดปลกปื่อยปิดบางเจตนาอันแท้จริงยิ่งทําให้เชื่อมั่นมากขึ้น การกระทำกองเขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทหารแน่ๆท่านเป็นอะไรไปจึงได้เงียบขรึมอย่างนั้นท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นปกติดีนะท่านอนาคาริกะแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าตัวท่านนั่นเองจะมีอะไรผิดปกติข้าพเจ้าน่ะเหรอ ผิดปกติท่านผู้เจริญเห็นจะเข้าใจผิดซะแล้วข้าพเจ้าเป็นปกติดีมีอะไรที่ท่านผู้เจริญคิดว่าข้าพเจ้าผิดปกติก็กองทหารนั่นไงล่ะท่านอนาคาริกะกองทหารรู้สึกว่ากองทหา ร, ก, หารกับการขึ้นไหวพระอาทิตย์ของท่านมาด้วยกันไปได้วยกันเสมอข้าพเจ้าอยากจะดูอีกเหมือนกันถ้ามีกองทหารมาอีก ท่านจะขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์อีกหรือไม่แต่เอาเถอะบางทีข้าพเจ้าอาจจะคิดมากไปเองเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิปริตผิดธรรมดาบางทีมันอาจจะส่งผลให้สมณะชีพรามพลอยวิปริตไปด้วยก็ได้ข้าพเจ้าสนทนากับท่านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเห็นจะต้องอำลาท่านออกเดินทางต่อไปสักทีอ้าวทาไมท่านถึงรีบไปละ่ะ อยู่สนทนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องบริสุทธิ์ใจต่อกันจึงจะได้ประโยชน์ถ้าฝ่ายหนึ่งบริสุทธิ์ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีเงี่ยงงำก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านผู้เจริญ หยุดก่อนท่านยังมีอะไรอีกข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญจะสนทนาด้วยท่านยังมีเรื่องสําคัญจะสนทนาอีกแหละท่านอนาคาริกะมีแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านนั่งก่อนข้าพเจ้าจะเล่าความจริงบางอย่างให้ฟังเมื่อท่านมีความประสงค์เช่นนั้นข้าพเจ้าก็จะไม่ขัดข้องเชิญท่านเล่าความจริงมาได้เลยก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อท่าน ที่ไ้เล่นละครกับท่านมาตลอดเวลาเขาพเจ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปิดบังความจริงไว้โปรดมองข้าพเจ้าให้ดีท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าวองอยู่แล้วท่านก็คือท่านอยู่นั่นเอง <laughs> ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวนี้อีกสักครู่ท่านจะต้องประหลาดใจว่าสุเทวะจะทํายังไง ทันได้มอดูรอบตัวเหมือนจะดูว่ามีใครอยู่ในเบริเวณนี้หรือไม่คงแน่ใจว่าไม่มีจึงได้ยินเอามือปลดผมตอมรุงรังของนักบวชออกเอาผ้าเช็ดขี้เท้าและสีสันที่เขียนไว้บนใบหน้าออกจึงเกลยงเอ๊ะท่านจำข้าพเจ้าได้ไหมเทวมิตะ ท่านคงประหลาดใจที่เห็นว่าสุเทวะกลายมาเป็นเทวามิตตแน่นอนอาตมาประหลาดใจข้าพเจ้าดีใจที่ได้พบท่านอีกหลังจากจากกันเป็นเวลาหลายเดือนข้าพเจ้าอยากพบท่านเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ท่านจากไปข้าพเจ้าก็ตั้งตาคอยฟังข่าวจากท่านอยู่ทุกวันเพราะท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเมื่อได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้ว จะส่งคนมาแจ้งข่าวให้ทราบแต่อาตมาก็ยังไม่เป็นหลักแหล่งจึงยังไม่ได้ส่งข่าวไปว่าแต่ท่านทําไมถึงทําตัวอย่างนี้ความจริงแล้วข้าพเจ้าเกิดสังหรณ์ใจตั้งแต่ท่านจากมาแล้วว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในเวลุวานารามแต่วันคืนผ่านไปไม่ได้รับข่าวจากท่านข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านคงยังไม่ได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งต่อมาก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมาจริง พระเทวทัตยุโยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูรงพระชนพระบิดาเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนขณะที่พระราชาถูกขังอยู่นั้นข้าพเจ้าและมิตรสหายตลอดถึงขราชบริพานดั้งเดิมบางคนก็ได้ครบคิดกันจะช่วยพระองค์ให้เป็นอิสระกลับมาครองราชตามเดิมแต่ว่าอะไรเหะจะหักโหมเอาด้วยกำลังไม่ได้ทาไมะ่ะกาลังเรามีน้อย แล้วท่านทำยังไงเราทำกันเป็นความลับรวบรวมพลพรรคออกตั้งเป็นกองโจรคอยรังควานกองทัพหลวงตั้งอยู่ตามชนบทต่างๆรอบกรุงราชครึขณะนี้เรากำลังต่อสู้อยู่และจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะอ๋อขอปลอมตัวตามเดิมซะก่อน ทำไมต้องปลอมตัวเป็นนักบวชเลยล่ะอุบาสกเป็นความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยข้าพเจ้าต้องเข้าไปสืบความเคลื่อนไหวของข้าศึกภายในกรุงราชเครืออยู่เสมอการท่องเที่ยวในรูปนักบวชนี่แหละเป็นการปลอดภัยที่สุดประชาชนไม่ได้ระแวงสงสัยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างนี้เมื่อแปลงเพศเป็นนักบวชแล้วก็จําเป็นต้องสร้างลัทธิขึ้นมาเพื่อโต้ตอบกับนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ ซึ่งมักจะได้พบปะสนทนากันอยู่เสมอได้สนทนาแล้วเป็นยังไงบ้างลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์ของขพเจ้าให้ความประทับใจแก่นักพรตในศาสนาอื่นๆเป็นอันมากบางคนถึงกับเลื่อมใสจะมอบตัวเป็นสาวกทีเดียวแต่ขพเจ้าก็ห้ามซะทุกรายอ้าวทำไมห้ามซะละ่ะก็ขพเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะตั้งตัวเป็นศาสดามีสาวกแวดล้อมเป็นทีอื่นเช้านี่ท่านผู้เจริญ อีกประการหนึ่งการที่ขบาเจ้าไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขึ้นสังกัด ก, กับาศาสดาองใดหรือลัทธิใดโดยเฉพาะก็เพราะไม่อยากให้าศาสดาหรือว่าลัทธินั้นๆพลอยมัวหมองไปกับขบาเจ้าด้วยเอแล้วเท่าที่ท่านขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนยอดไม้นะั่นหมายความว่ายังไงขบาเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะไหว้พระอาทิตย์รอกท่านผู้เจริญ ที่ขึ้นไปบนต้นไม้นั้นเป็นการให้สัญญาณแก่พลพักของเราเท่านั้นให้สัญญาณแก่พลรภักถูกแล้วทุกๆครั้งที่เห็นกองทหารออกจากพระนครข้าพเจ้าหรือใครคนใดคนหนึ่งจะต้องขึ้นต้นไม้ที่นัดหมายกันไว้แล้วก็ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่บนต้นไม้ไกลออกไปเห็นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณต่อไปให้คนอื่นที่อยู่บนต้นไม้ถัดไปทราบ เราจะส่งสัญญาณต่อๆกันไปแบบนี้จนถึงพลพรรคของเราทุกหน่วยทําให้เราทราบความเคลื่อนไหวของกองทหารขัดศึกและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เป็นเวลาล่วงหน้านานๆเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างนั้นละสิใช่แล้วท่านผู้เจริญเราเป็นฝ่ายได้เปรียบและประสบชัยชนะเสมอเราจะโจมตีเฉพาะกองทหารหน่วยย่อยๆมีกําลังพลไม่เกินร้อยคนเท่านั้น ถ้ามากกว่านั้นล่ะเราก็จะหลบซ่อนซะไม่โจมตีชีวิตของขพเจ้าตอนนี้คลุกคลีอยู่กับความชั่วเกลือกลั้วด้วยปานาติบาตเป็นประจำแต่ขพเจ้าก็จำต้องทำด้วยความแข็งด้วยความกตัญญุต่อพระราชาองค์ก่อนและการกระทําเพื่อกําจัดเศียนหนามของแั่นดินมคตรัฐขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ขพเจ้าด้วย สำหรับอาตมานั้นนย่อมมาพายให้แก่ท่านเสมอแต่สำหรับกฎแห่งกรรมอันเที่ยงธรรมนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อตมากลับมาถึงนครราชครื สิ่งแรกที่อาตมาทำก็คือไปเยี่ยมอุบาสกที่บ้านแต่ก็ไม่พบท่านพบแต่ทหารของอาชาตสตรูที่ยึดบ้านอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าบุตรพัญญาและข้าทาสบริวารของท่านไปอยู่ที่ไหนบุตรพัญญาข้าพเจ้าถูกพระเจ้าอาชาตสตรูจับไปขังไว้ในวังหลวงจับไปขังไว้ทําไมเพื่อเป็นตัวประกรันแลรู้ไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างข้าพเจ้าทราบมาจากคนภายในว่า เขาสบายดีอยู่เป็นปกติสุขส่วนข้าทาสบริวารของข้าพเจ้านั้นได้สมัครมาอยู่ในป่ากับข้าพเจ้าตั้งแต่แรกแล้วพูดถึงบุตรพญาแล้วเนี่ยข้าพเจ้าอดเศร้าใจไม่ได้เคยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขบัดนี้ต่างแต่กระสารสร้านเส้นพัดพากจากกันไปคนละทิศคนละทางแต่จะทํายังไงได้ล่ะท่านผู้เจริญเพื่อความสงบสุขแก่ส่วนรวม เราจะต้องสละสุขส่วนตัวท่านผู้จเจริญละ่ะดูท่านทำท่าว่าจะออกเดินทางท่านจะไปไหนหรึถูกแล้วอาตมากำลังจะออกเดินทางจาริกไปเรื่อยๆตามความตั้งใจเดิมที่เคยพูดกับท่านไว้แล้วแล้วเมื่อไหรท่านจะกลับพระเวรุวรรณารามอนาคตเป็นสิ่งที่อาตมาไม่สามารถจะทราบได้ชีวิตของเราทั้งสองคือการต่อสู้ ท่านต่อสู้กับศัตรูภายนอกคือพระเจ้าอาชาศัตรูและกองทหารของพระองค์อาตมาต่อสู้กับข้าศึกภายในคือกีเลธ ท, ทั้งปวงไม่มีความแน่นอนอะไรในการต่อสู้ถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คงไม่ได้พบกันอีกแต่เราอาจจะได้พบกันอีกถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายมีชัยดวงอาทิตย์รับแนวไม้ไปแล้ว อากาศเริ่มเย็นลงแล้วได้เวลาที่ขบ a j าจะต้องลาท่านแล้วพลพรรคของขบ a j าจะรอคอยคืนนี้จะต้องมีการต่อสู้กันแน่ต่อสู้ถูกแล้วท่านผู้เจริญต่อสู้ระหว่างเรากับกองทหารหลวงพอถึงค่ายที่พักอันเร้นลับขบ a j าก็จะถอดเครื่องทรงนักบวชออกกลายเป็นคนธรรมดา น, พนาพลเข้าเคนฆ่าทหารฝ่ายศัตรู บางทีข้าพเจ้าอาจจะเสียชีวิตในการสู้รบแต่เป็นการตายด้วยความภูมิใจที่ได้พลีชีพเพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณแก่พระราชาที่บดีพิมพิสารข้าพเจ้าขอกราบลาท่านไปก่อน ได้พบเทวมิตาอุบาสกในเพศพันอันแปลกประหลาดได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าให้ฟังรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเต็มปไปด้วยสิ่งประหลาดสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้สิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้อย่างเช่นเทวมิตาอุบาสกนี้เขาเป็นผู้แน่นหนาในธรรม เคร่งขรึดในศีลาจาวัดของศัตบุรุษเข้าวัดสมาทานฟังธรรมเป็นประจำอุปนิสัยกว้างขวางยินดีในการบริจาคแต่บัดนี้เขากลับกลายเป็นอีกคนหนึงมีลักษณะตรงกันข้ามทุกประกาศเขาได้กลายเป็นมหาโจรผู้มีมือเปื้อนเลือดยินดีในการเข็ดข่า ม, มนุษย์ผู้หาความผิดไม่ได้สลากคฤหา อันมโหรารพร้อมทั้งบรพัญญาออกไปหลบซ่อนอยู่ในป่าได้รับความลำบากแสนสาหัสอะไรละ่ะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปไ ด, ไปได้เป็นคนละคนเช่นนี้ ยังไม่เดึกเกินไปตามปกติในยามนี้ชีวิตในหมู่บ้านทั้งหลายของมค ธ, ธเต็มไปด้วยชีวิตชีวาประชาชนที่เหนื่อยตราบตามกับงานมาตลอดวันกลับบ้านอาบน้ํารับประทานอาหารแล้วก็มานั่งจับกลุ่มคุยกันบ้างดีดสีตีเป่าเครื่องดนตรีเป็นการพักผ่อนบ้างฝ่ายเด็กก็ลงเล่นไล่กันในถนนกลางหมู่บ้าน ส่งเสียงอึงขะหนึ่งเป็นที่น่าสนุกสนานแต่สำหรับหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าบรรยากาศเงียบเหนาอย่างประหลาดไม่มีคนนั่งจับปุ่มสนทนากันบนลานบ้านไม่มีเสียงเล็กเล่นกันในถนนมีแต่แสงไฟวอวแว ม, มออกมาทางประตูบ้านส่วนมากเป็นกระท่อมดินเหนียวชาบมูลโคเดินมาตามถนนอันสงบจนถึงศาลากลางหมู่บ้าน ชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้สำหรับคนเดินทางเข้าพักอาศัยนับว่าโชคดีไม่มีใครพักอยู่ในศาลาก่อนเลยเมื่อเลือกมุมที่เหมาะสมได้แล้ว<ม>ก็ปัดกวาดปูผ้าอาบน้ำฝน ล, ลงบนเสือ่อวางบาทและบริขารไว้ข้างๆแล้วนั่งลงพักผ่อ<ม>นบรรยากาศในศาลาช่างเงียบเงาแต่ก็สงบดี ท่านที่ไหนข้าพเจ้ามองไม่เห็นท่านอาตมาอยู่ที่นี่อุบาสกมืดเลือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยท่านอยู่ไหนอาตมาอยู่นี่อ๋อถ้านธรรมณะทีนนะน่นี่เองข้าพเจ้าไหวท่านมองเห็นไหมเห็นเป็นเงาําว่าท่านไหวข้าพเจ้ากําลังนั่งอยู่หน้ากระท่อมหลานชายไปบอกว่ามีพระภิกษุลูปหนึ่งเดิน ม, มาตามถนนแล้วแวะเข้ามาพักในศาลาคนเดินทาง ข้าพเจ้าเกิดความสนใจอยากจะสนทนาด้วยอุตสาหเดินฝ่าความมืดมานานทีเดียวทสมณะข้าพเจ้าไม่มีโอกาสพบปะสนทนากับสมณะพามผู้ทรงศีลตั้งแต่บ้านเมืองเกิดยุคเข็นเป็นต้นมารู้สึกว่าสมณะพามทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวไปมาตลอดฤดูขิมหันแล้วแวะมาพักที่หมู่บา้านขอเราเสมอๆนี่กลับหายหน้าหายตาไปตามๆกันพันนี้นับโชคดีท่านมาพักเป็นครั้งแรก เคยเจ้าขอสนทนากับท่านนานสักหน่อยถ้าท่านไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนเกินไปอัตมาไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรหรอกอุณบาศกอัตมาเพิ่งเดินทางจากตโปตฐานใกล้ๆนี่เองยินดีที่จะสนทนากับท่านนานเท่านานที่ท่านประสงค์แต่บรรยากาศในศาลาค่อนข้างมืดถ้าเราสามารถมองเห็นหน้ากันได้ในขณะที่สนทนา ก, ก็จะเป็นการดีไม่น้อยทีเดียว ขอท่านทศมณะไม่ต้องพิจดเขาไปจ่าสั่งให้หลานชายนํำดวงประทีบและน้ํำดื่มมาให้ทันแล้วคงจะมาถึงในไม่ช้านี่แหละหมู่บ้านแห่งนี้ลุงเมืออ่อตาตมาจ ะ, จะเคยผ่านมาแล้วครั้งหรือสองครั้งเ่นละ่ะฮะทศมณะเคยผ่านมาแล้วถูกแล้วอุบาสกแม้ในายามราตรีเช่นนี้ก็เคยผ่านแต่คราวก่อนก่อนรู้สึกว่าไม่เหมือนครั้งนี้ไม่เหมือนยังไงทศมณะ ครั้งก่อนรู้สึกว่าหมู่บ้านคึกคักผู้คนพลุกพล่านคราวนี้รู้สึกว่าเงียบเหงาผิดปกติคงไม่อะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ละมัง้งเออข้าไปเจ้าจริงแล้วเกินว่ะคงไม่ใช่หมู่บ้านนี้แห่งเดียวเท่านั้นต้องซบซ่าเงียบเหงาถึงแม้ในหมู่บ้านทุกแห่งของแคว้นราชเกลืกนี้ก็คงเงียบเหงาเช่นเดียวกันจะไม่ให้เงียบเหงาได้ยังไงล่ะทศมณะ ในเมือหมู่บ้านของเรามีแต่คนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กๆทั้งนั้นที่อยู่เฝ้าบ้านพวกผู้ชายละ่ะหนีเข้าป่าหมดแล้วหนีเข้าป่าหมดใช่เอ๊ะทาไมอย่างนั้นละ่ะอุบาสกเออพราะอะไรละ่ะความจราะผู้ชายจึงหนีไปอยู่ในป่าซะหมดความจริงทางการทราบอยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเรา กำลังอยู่ในยุคทรราชอาชารศัตรูได้ปลงประชนนพระชนกของตนเองและขึ้นครองราชย่างความโกรธแค้นทิ้งช้างให้เกิดแก่คาราชบริพานและไพร่ฟ้าคาแผ่นดินผููจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์องค์เดิมในอันมากพวกคาราชบริพานเดิมจึงได้ร้วงกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อกำจัดพระเจ้าอาชารศตรุซะแต่ก็คงทําได้ยากทําไมถึงว่ายากละ่ะพระองค์มีพักพวกแล้วก็อํานาจมาแล้วจะทํำยังไง ฝ่ายต่อต้านจึงออกไปส่งสมผู้คนตั้งเป็นกองโจนคอยรังควานอยู่ในป่าบรรดาชายชกันทั้งหลายในหมู่บ้านของเราการก็เข้าไปสมัครเป็นพักพวกกับพวกกองโจรหมดสินเพราะเหตุ น, นี้แหละหมู่บ้านของเราจึงดูเหงียบเหขาอาตมาแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งอุบาศกทศมาแปลกใจอะไรทาไมชายชกันทั้งหลายจึงยินดีไปเข้าเป็นสมัครพักพวกกองโจรหรือพวกกองโจรบังคับขู่เข็นเปล่าเลยทสมณะ เขาทาไปเองดีกว่สมัครใจพวกกองโจรไม่ได้บังคับกู่เค้นเหตุที่ยินดีไปก็เพราะคุณงาวความดีของหัวหน้าโจร น, นี่หัวหน้ากองโจรคือใครอุบาสกว่าไงล่ะอุบาสกอาตมาถามว่าหัวหน้ากองโจรคือใครเอออังข้าพเจ้ามาแล้ว โอ้น่ะหลานทายขบ เ, เจ้าอาน้ําดื่มกับโรคประทีบมาแล้วทําไมช้าห่ะกะช้าที่ไหนขบ เ, เจ้ารีบมาอย่างเร็วที่สุดแล้วเอาละเละส่งหม้อน้ํามาเถอะเชิญท่านดื่มน้ําขอบใจอืมน้ําเย็นจิดสนิท ด, ดีรู้สึกว่าท่านสดชื่นกับปี้กระเปล่าขึ้นมากถูกแล้วอัตมาสดชื่นขึ้นมากจริงๆเออว่าแต่เรื่องนั้นเถอะ อุบาสกคงจะไม่สบายใจที่จะบอกชื่อหัวหน้ากองโจรแก่อาตมาถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบอกก็ได้อาตมาไม่สนใจอยากรู้เท่าไหร่นักหรอกถึงรู้ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะอาตมาเลิกจุ่งเกี่ยวกับโลกแล้วข้าพเจ้าจะบอกให้ก็ได้ท่านสมณนะแต่ว่าอะไรเหรอท่านจะต้องให้คํามันสัญญาก่อนว่าท่านจะเก็บไว้เป็นความลับจะไม่นำไปแพร่พล้ใครทราบเป็นขาดอาตมาให้คํามันสัญญาไม่ได้หรอกอุบาสกเอา้า ทำไมละท้าสมณักคือว่าสมณาวิสัยไม่ยอมให้อัตมาให้คำมั่นสัญญาในเรื่องโลกียาวิสัยกับใครๆถ้าท่านยังไม่